ปัญหาข้อที่สิบสองเอ็ดไรบางคนระลึกชาติได้บางคนระลึกไม่ได้ยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่งซึ่งคนส่วนมากมักจะสงสัยคือเด็กบางคนพอเกิดมาพูดได้ก็ระลึกชาติได้โดยไม่ได้ฝึกหัดตัวอย่างเช่นนี้มีทุกประเทศเมื่อไม่นานมานี้มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสัน ได้เข้ามาสำรวจเกี่ยวกับคนที่ระลึกชาติได้ในเมืองไทยเขาได้พบว่ามีอยู่หลายรายที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าระลึกชาติได้จริงท่านศาสตราจารย์ผู้นี้ได้ไปสำรวจหลายประเทศและเท่าที่ปรากฏในเอกสารที่เขารวบรวมไว้ได้นั้นมีอยู่ถึงหกรอยกว่ารายจากหลักฐานที่เขาอ้างไว้นี้ทำให้เชื่อได้ว่าคนบางคนสามารถระลึกชาติได้จริงปัญหามีอยู่ว่า เพราะเหตุไรบางคนจึงระลึกชาติได้และเพราะเหตุไรคนส่วนมากจึงระลึกชาติไม่ได้ปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านแล้วและท่านได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ก่อนอื่นขอให้พิจารณาให้เข้าใจเสียก่อนว่าชีวิตของคนเรานั้นก็เหมือนกับการเดินทางตราบใดที่เรายังไม่บรรลุถึงนิพพานเราก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆไม่มีการสิ้นสุด การตายไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะโดยธรรมดาเมื่อคนเราตายแล้วหลังจากนั้นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็เกิดใหม่เพราะฉะนั้นความตายจึงไม่มีความหมายอะไรความตายก็เหมือนกับการนอนหลับซึ่งผู้ที่นอนหลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ยอมจะจําถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วได้และในระหว่างที่ไปมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกานั้นโดยปกติ โอปปาติกาที่อยู่ในสุขติภูมิยอมจำถึงเหตุการณ์ในขณะที่เป็นมนุษย์ได้เสมอซึ่งบางคนก็จำได้ดีมากแต่บางคนถ้าเป็นโอปปาติกาอยู่นานหรือมัวไปเพลิดเพลินอยู่กับเหตุการณ์ในโลกของโอปปาติกะก็อาจจะลืมเหตุการณ์ในโลกมนุษย์สำหรับโอปปาติกะประเภทนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะจำเหตุการณ์ในผลหลังไม่ได้เลย แต่สำหรับพวกที่ยังสนใจอยู่กับเรื่องมนุษย์และยังจำเหตุการณ์ระหว่างที่ยังเป็นมนุษย์ได้ดีพวกนี้เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วย่อมอยู่ในฐานะที่สามารถจะระลึกชาติก่อนได้คือจะระลึกได้ถึงชาติที่เคยเป็นมนุษย์และชาติที่เป็นโอปปาติกา ด, ด้วยแต่อย่างไรก็ดีสาเหตุที่ทำให้ระลึกชาติไม่ได้นั้นมีอยู่หลายอย่างเช่นเหตุที่ทาให้ระลึกชาติไม่ได้ ข้อที่หนึ่งสภาพของจิตตอนที่จะจุติคือจะตายหรือเคลื่อนจากภพเก่าถ้าหากเป็นจิตที่มืดมัวไม่ผ่องใสหรืออยู่ในภาวะของความลืมตัวเนื่องจากมีเรื่องอื่นๆแทรกเข้ามาในขณะที่กำลังจะจุติเลยทาให้ลืมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดคล้ายกับเมื่อเรากาลังพูดอะไรอยู่แต่ครั้นแล้วมีเหตุการณ์อย่างอื่นมาขัดจังหวะเลยทำให้ลืมว่าเมื่อตะ ก, กี้ได้พูดว่าอะไร หรือได้พูดมาถึงไหนแล้วในระหว่างที่กําลังจะจุติถ้าสภาพของจิตตกอยู่ในภาวะคละ้ายๆอย่างนี้เมื่อมาเกิดเป็นคนก็จะทําให้ลืมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดและอันนี้แหละคือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนทั้งหลายเกิดมาแล้วระลึกชาติก่อนไม่ได้สาเหตุที่ทำให้ระลึกชาติก่อนไม่ได้ดังที่กล่าวมานี้บางคนอาจเห็นว่า ไม่น่านจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระลึกชาติก่อนไม่ได้อันที่จริงถ้าเป็นเหตุการณ์ในโลกมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงเพราะถึงแม้จะมีเหตุการณ์แทรกเข้ามาแต่ไม่ลืมถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแต่แล้วเราก็จะระลึกได้อีกในโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้ได้แต่สำหรับในจังหวะที่กาลังจะจุติมาเกิดในท้องแม่นั้นจะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในโลกมนุษย์อย่างนั้นไม่ได้ เพราะการจุติแล้วปฏิสนธินั้นเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่ทั้งหมดอย่าลืมว่าวิบากที่ให้ผลในขณะกำลังจะจุตินั้นคือสิ่งที่จะวางพื้นฐานของชีวิตที่เกิดใหม่ตลอดทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากในขณะที่กำลังจะจุติหรือเกิดงงหรือลืมตัวคือนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ครั้นแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นก็จะขาดตอนไปเลย รสภาพของจิตใจที่กำลังงงหรือลืมตัวนั้นจะวางพื้นฐานให้แก่ชีวิตใหม่ขอให้จำไว้ว่าโดยหลักธรรมดาเมื่อวิญญาณจดติแล้วก็จะปฏิสนธิทันทีและในขณะเดียวกันกับที่วิญญาณปฏิสนธินั้นวิญญาณซึ่งอยู่ในสภาพที่ลืมเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดก็จะเริ่มสร้างสมองขึ้นมาใหม่ตามวิบากที่มีอยู่ในขณะนั้น และสมองที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นก็จะเริ่มตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมที่กำลังมีอยู่ในขณะนั้นและจะอยู่ในสภาพเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งคลอดและเมื่อคลอดออกมาแล้วก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากสิ่งภายนอกซึ่งยิ่งจะทําให้สภาพของสมองและสภาพของจิตใจผิดประจากในตอนที่ยังเป็นโอปปาติกาด้วยเหตุนี้ จึงทาให้ลืมถึงชาติก่อนได้อย่างสนิทคล้ายกับว่าเรากาลังเขียนหนังสือบันทึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอยู่แต่ครั้นแล้วก็มีเหตุการณ์อย่งางใหม่เข้ามาแทรกทําให้เราต้องตั้งต้นเขียนเรื่องใหม่และก็จําเป็นจะต้องเขียนอยู่ตลอดเวลาด้วยซึ่งเรื่องที่เขียนนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุการณ์ในอดีตซึ่งอยู่อีกหน้าหนึ่งก็ถูกทับด้วยหน้าที่เขียนใหม่มากขึ้นโดยลาดับ จนกระทั่งไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะไปพลิกดูข้อความในหน้าที่เขียนค้างเอาไว้ข้ออุปมาอันนี้แม้จะไม่ตรงกับความเป็นจริงนักแต่ก็พอเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมคนเราจึงระลึกถึงชาติก่อนไม่ได้ข้อที่สอง จงจำไว้ให้ดีว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่ทำให้คนเราเกิดมาระลึกชาติก่อนไม่ได้นั้นอยู่ในประเด็นข้อที่หนึ่งและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพื้นเดิมเป็นคนมีความกดดันมากมีอารมณ์ค้างมากเป็นคนมีความจําไม่ดีและชอบฝันหรือสร้างวิมานในอากาศเพื่อ น, นิสัยเหล่านี้แหละที่ทำให้ลืมถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่าหากตอนที่กาลังจะจติมีเหตุการณ์อื่นแทรกเข้ามา เลยทาให้เกิดความลืมตัวลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมานึกได้แต่เฉพาะเรื่องที่กำลังมีอยู่เดียวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไหนพื้นเดิมเป็นคนไม่มีความกดดันไม่มีอารมณ์ค้างเป็นคนมีความจำดีมีสติอยู่กับตัวเสมอและเป็นคนมีสมาธิดีในขณะที่กำลังจะจุติจิตใจก็ผ่องใสสำหรับบุคคลประเภทนี้เมื่อมาเกิดเป็นคนพอเริ่มพูดได เขาก็จะบอกได้ถึงชาติก่อนว่าเขาเคยเกิดเป็นอะไรแต่อันที่จริงเขาระลึกได้ตั้งแต่คลอดมาแล้วแต่เขาพูดไม่ได้ในตอนนั้นเหตุการณ์ในอดีตจะเป็นเสมือนหนึ่งภาพในความฝันในขณะที่กาลังหลับแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมหมายความว่าในตอนที่สมองของเด็กยังไม่สมบูรณ์นั้นเด็กก็สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในชาติก่อนได้เหมือนกัน แต่แล้วเดียวก็ลืมและเดี๋ยวก็นึกขึ้นมาได้อีกเด็กจะเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกว่าสมองจะสมบูรณ์พอที่จะใช้เป็นเครื่องมือรื้อฟืน้นถึงเหตุการณ์ในหนดหลังได้ตอนที่เด็กพูดได้นั้นย่อมหมายถึงสมองของเด็กจเจริญอยู่ในขั้นที่จะช่วยทําให้นึกถึงเหตุการณ์ในหนดหลังได้แล้วฉะนั้นในตอนนี้เด็กที่สามารถระลึกชาติได้นั้นถึงสามารถบอกให้คนอื่นทราบได้ แต่อย่างไรก็ดีคนที่จะมีพื้นไม่กดดันไม่มีอารมณ์ค้างมาตั้งแต่ชาติก่อนนั้นหาได้ยากที่สุดเพราะเหตุนี้คนส่วนมากเกิดมาจึงระลึกชาติไม่ได้ข้อที่สสาเหตุอีกระเด็นหนึ่งที่ทำให้ระลึกชาติไม่ได้ก็คือเรื่องเวลา ผู้ที่มีชีวิตเป็นโอปปาติกะนานนับเป็นสิบิบปีหรือร้อยปีขึ้นไปโดยนับตามเวลาในโลกมนุษย์และไม่ได้มาติดต่อกับมนุษย์เลยพวกนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะระลึกชาติไม่ได้แต่ทั้งนี้หมายความว่าต้องมีเหตุอื่นดังที่กล่าวมาแล้วในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองประกอบด้วยเพราะผูดด้ใดถึงแม้จะเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่นานแต่ถ้าหากในขณะที่กาลังจะจุติมีสติสมปชัญญะ เช่นอย่างพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงเมื่อมาเกิดเป็นคนในระยะแรกๆจะสามารถระลึกชาติได้เสมอเช่นอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติก็กล่าวว่าในวันแรกที่พระองค์ได้ประสุตออกมานั่นเองก็ได้ทรงกล่าววาจาว่าเราเป็นเลิศในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการที่พระองค์ทรงกล่าววาจาเช่นนี้ก็เพราะทรงระลึกได้ว่า พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งได้ตั้งใจจุติลงมาเกิดก็เพื่อจะตรัสรู้อมตะธรรมและทรงแน่พระไทยมาตั้งแต่ยังอยู่ในสวรรค์แ ล, ล้วว่าในชาตินี้พระองค์จะต้องได้สําเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนอันหนึง่งเนื่องจากตัวอย่างของคนที่ระลึกชาติด้บางคนก็ปรากฏว่าพื้นเดิมเป็นคนไม่สู้จะดีนักตัวอย่างเช่นนี้ อาจจะทำให้บางคนเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุไรคนประเภทนี้จึงระลึกชาติได้ปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านเหมือนกันและท่านก็ได้ตอบว่าคนบางคนที่ว่าในอดีตเป็นคนไม่ดีนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ละเอียดว่าไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีในเรื่องอะไรเพราะบางคนที่เห็นว่าเขาไม่ดีนั้นเมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้ว บางทีก็ปรากฏว่าลักษณะโดยทั่วไปของเขาดีกว่าคนบางคนที่เราว่าเป็นคนดีเสอีกทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเลวสักเพียงไรความดีก็ต้องมีอยู่บ้างไม่เช่นนั้นจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้และในทำนองเดียวกันคนที่เราถือว่าเป็นคนดีนั้นแม้จะดีสักเพียงไรส่วนที่ไม่ดีก็ต้องมีอยู่บ้าง แม้เช่นนั้นก็จะไม่มาเกิดเป็นคนเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งความดีหรือความชั่วส่วนไหนจะปรากฏออกมานั้นย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการอบรมเช่นคนบางคนพื้นเดิมเป็นคนดีหลายอย่างแต่ในเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้รับการอบรมไม่ดีความชั่วที่มีอยู่ในสันดานก็จะเจริญเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะลงมติว่าใครดีใครชั่วควรจะต้องพิจารณากันให้ละเอียดแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่มีสันดานต่ำจริงๆแล้วจะไม่มีทางระลึกชาติได้เลยหมายเหตุผู้อ่าน ก็เล่าประสบการณ์ที่ได้เจอมากับตัวเองสักเรื่องหนึ่งนะครับทั้งนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เล่าแต่เลยแต่ความจําที่ฝังแน่นในจิตนั้นก็ยังจํามาถึงทุกวันนี้คือตัวผมเองเมื่อตอนเป็นเด็กทารกนั้นเกิดภาวะหนึ่งที่บอกไปใครก็หาว่าเพี้ยนหรือฝันไปคือรู้สึกตัวตั้งแต่เด็กรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สึกนึกคิดแบบผู้ใหญ่ในครั้งแรกที่รู้สึกนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าเราคือใครเราอยู่ที่ไหน แค่รู้สึกว่าไม่สบายตัวเมื่อรู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายนี้ได้ลืมตาขึ้นและในขณะที่ลืมตานั้นก็เกิดความสงสัยหนักข้าไปอีกว่าเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนพอเริ่มรู้สึกถึงร่างกายก็เริ่มตกใจว่าทำไมตัวเหลือแค่นี้ตอนนั้นยังค่อนข้างสับสนนะครับว่าเราคือร่างกายนี้หรือว่าเราแค่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากร่างกายนี้ในตอนนั้นก็รู้สึกสับสนและค่อนข้างตกใจมาก แต่เพราะความที่ร่างกายถูกกระตุ้นให้รู้สึกไม่สบายตัวความรู้สึกในตอนนั้นเหมือนจะยังขยับตัวได้ไม่ถนัดนัก <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะร้องเรียกใครสักคนให้มาช่วยให้พ้นจากสภาพที่กำลังรู้สึกไม่สบายตัวนั้นและที่น่าตกใจยิ่งขึ้นก็คือเมื่อรู้สึกอยากจะพูดนั้นก็กลายเป็นว่าเห็นร่างนี้ร้องไห้เป็นการร้องแบบเด็กทารกทั่วไปและเสียงดังมากซึ่งในตอนนั้นก็สับสนมากเพราะว่าในขณะที่เห็นเด็กคนนี้ร้องไห้ ก็เกิดจิตผู้รู้อีกดวงหนึ่งแยกดูเห็นชัดเจนว่ามีจิตเป็นผู้ดูและเห็นเด็กคนนี้ร้องไห้เป็นคนละอย่างกันแยกกันเป็นคนละคนสักพักก็เห็นเด็กผู้หญิงสองสามคนวิ่งมาอุ้มขึ้นจากเปลซึ่งก็คือพี่สาวของผมนั่นเองที่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่ความฝันก็เพราะต่อมาก็เกิดภาวะจิตผู้รู้ตื่นแบบนี้อีกหลายครั้งนะครับคือเห็นเด็กคนนี้บอกรักแม่เห็นเด็กคนนี้ร้องไห้เห็นเด็กคนนี้โกรธ เด็กคนนี้ทำอะไรคิดอะไรในชนิดที่ว่าแยกกันชัดเจนระหว่างคนที่เห็นซึ่งรู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วก็เด็กคนนี้ซึ่งรู้สึกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งหลายเรื่องที่เกิดกับตัวเองเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติที่แน่นอนว่าในวัยเด็กนั้นก็คงหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ก็ได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้เรื่อยมาและก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้สนใจทางด้านศาสนาซึ่งหลายอย่างที่เจอมานั้น ไม่สามารถหาคำตอบได้จากศาสนาเก่าต่อมาจึงได้มาศึกษาคำสอนของพุทธและในที่สุดจึงตอบคำถามให้ตัวเองได้ถึงสิ่งที่เจอมาหลายเรื่องซึ่งความจริงตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับแค่อยากรู้ว่าคืออะไรพอได้รู้แล้วก็วางแค่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะเจอแนวทางที่ดีกว่านั้นก็คือการดับทุกข์ซึ่งมีสมบูรณ์พร้อมแล้วในพุทธศาสนา เรื่องนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่เป็นความโชคดีของผมเองที่ได้มีประสบการณ์ตรงมาหลายอย่างจึงทําให้ศรัทธานในกรรมและเชื่อว่าภพชาติมีจริงอย่างเหนียวแน่นมีผลต่อการเจริญในทางธรรมในการปฏิบัติธรรมในการเข้าใจธรรมอย่างมากคนเราถ้าไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงจิตลึกๆไม่ยอมรับจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงก็ไม่มีทางสิ้นสงสัยซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งคือวิจิกิจฉา หากยังคิดว่าหรือไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงก็มีพุทธพจน์ตรัสไว้แน่นอนแล้วนะครับว่าไม่มีทางบรรลุทำได้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับตัวเองที่เล่าเสริมไว้ในหลายตอนนั้นพูดตามตรงนะครับว่าไม่ได้อยากจะอวดหรืออยากจะคุยว่าตัวเองได้เจออะไรมาบ้างแต่อย่างให้เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันว่าได้เจออะไรเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเล็กน้อยเพื่อจะมีประโยชน์กับบางท่านเท่านั้นนะครับ